ช่ ว, ช ว, เวกกงว เ, วเวลาที่ผ่านจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือช่วงเวลาที่ผ่านจากกลางคืนเป็นกลางวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงเวลาที่เรียกว่าสำคัญผ่านจากกลางคืนเป็นกลางวันก็คือตอนที่พระอาทิตย์มันกำลังจะขึ้นจากกลางคืนมืดๆเปลี่ยนเป็นกลางวัน ผานจากกลางวันเป็นกลางคืนตอนช่วงที่พระอาทิตย์มันกําลังจะตกดินจากกลางวันสว่างสว่างเนี่ยมันจะเริ่มมืดทาไมถึงเป็นช่วงเวลาที่สําคัญหลายๆลคนก็อาจจะพูดถึงเหตุผลทางด้านชีวพิทยาใดใดต่ืออาจจะพูดถึงเรื่องของที่ว่าสัตว์ที่เป็นนักล่าสัตว์ล่าเนื้อต่างๆก็จะออกจากที่หา ก, กินในเวลาช่วงนี้ หรือว่าจะกลับรังของมันในเวลาช่วงนี้ก็คือตอนที่หัวค่ำเนี่สัตว์ล่าเนื้อก็จออกหากินเน ต, ตอนที่มันกำงจะสว่างเป็นช่วงเวลาที่มันจะกลับรังของมันคนอีกชุดหนึ่งที่กําลังจะตื่นเหนลุกขึ้นแล้วหากินตอนกลางวันมันจะมาเจอกันช่วงนี้มันจะสลับกันช่วงนี้บางคนก็อาจจะพูดอย่างนั้นแต่เหตุผลที่สําคัญของเรื่องนี้ แต่เป็นสิ่งที่พระพุเจ้าตราตอาไว้ตอนนั้นพระพุทาอยู่ที่บ้านนาทิกะบอกช่วงเวลาที่ผ่านจากกลางคืนเป็นกลางวันหรือกลางคืนมันกำลังจะหมดไปในกลางวันกำลังจะโผล่ขึ้นมาหรือช่วงเวลาที่กลางวันกำลังหมดไปกลางคืนจะมาแท น, เ, นเป็นช่วงเวลาที่ให้เราพิจารณาได้บ้างให้เราพิจารณา ถึงปัจจัยต่างๆปัจจัยในเรื่องอะไรคือปัจจัยในเรื่องความตายแล้วหนึ่นงว่าช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านเนี่ยให้เรามาพิจารณาคิดไคร์ครวญให้ดีว่าช่วงเวลาที่มันกําลังจะมาถึงเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่กลางคืนอยู่อย่างตอนนี้แต่ตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไอ้กลางวันที่มันจะมาถึงเนี่ยเราอาจจะตายได้ทําไมอ่ะโห เหตุปัจจัยของความตายมันมีมากจริงๆอันนี้ที่พูดเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าตรัสนะท่านบว ง, งไม่ได้แช่งว่าจะต้องตายหรืออะไรนะอันนี้เราพยายามจะทําความเข้าใจว่าให้ความตายมันมีได้จริงๆแต่นะว่าอะไรอะที่ทำให้เราตายได้บ้างกลางวันเนี่แหละเดินเดินหัวทิ่มบต่ตายก็มีนะขับรถขับรถไปอะไรไม่รู้ตกมาจากข้างบนทับรถเราอยู่ในรถตายหรือว่าอาหารที่เรากิน มันเกิดมาหย่อยตายหรือบางทีอะไรไม่รู้าธาตุลมมันตีขึ้นในร่างกายอาจจะเป็นจากาธาตุลมบ้างเสมหะบ้างน้ำดีบ้าง้าตมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่าเสมอตายหรือถูกสัตว์ทาร้ายหนาแหลงปองบ้างงูบ้างกัดบ้างชกบ้างหรือแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเอา้าก็ยังทารายกันบางทีเป็นเหตุของกรรมนะตายู้บติเหตุ ตายไม่รู้อิโนโอิเนอะไรตายก็มีเหตุปัจจัยความตายมีมากช่วงเวลาที่ถ้าเราอยู่ตอนกลางวันมันกำลังจะหมดไปตอนกลางคืนกําลังจะมาถึงแต่ช่วงตอนเย็น6กโมงเย็นอย่างเนี้เปน็นต้นเป็นเวลาที่เราต้องพิจารณาว่าอตอนกลางคืนเนี่ยเราก็อาจจะตายได้นะอาจจะตายจากอาหารที่กินตอนเย็นแหมอร่อยมากกินมากกินมากเสร็จนี้ไม่หย่อย ไม่ย่อยแล้วทำยังไงล่ะนอนไปคิดว่ามันจะดีขึ้นตายก็มีนะไม่ลุกขึ้นมาก็มีหรือว่าเกิดจากเหตุการณ์ที่ธาตุในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไม่ถูกต้องอะไรก็ไม่รู้ไปตันในสมองตายก็มีหลายๆายคนเป็นโรคหัวใจ ต, ตายก็มีตื่นช้ามาคือไม่ตื่นไม่ลุกเลยเงียบไปเฉยหมดลมหายใจไปหรือแม้แต่บางทีอาจจะมี แมลงป่องซ่อนอยู่ใต้พ้าห่มหรือว่างูซ่อนอยู่ใต้พ้าห่มแมงมุมซ่อนอยู่ใต้พ้าห่มเราเข้าไปนอนถูกมันกัดต า, ายคืนนั้นก็มีมันเป็นไปได้นะครันฟังเป็นไปได้เป็นไปได้นี่เพราะว่าพระพุทาตรัสเอาไวา้ถ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ตรวจสอบแล้วแ น, น่นอนการตรวจสอบด้วยยานตรวจสอบด้วยความรู้ความสามารถพิเศษของพระพุทจ้าว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้และแน่นอ น, อนหลายๆจุดหลายๆเรื่องตรงนี้ แล้วก็ปรากฏอยู่ในตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามข่าวที่เรารับรู้ได้คนที่ใกล้ชิดเราคนที่เรารู้จักอาจจะไม่ได้รู้จักเป็นตัวบุคคลแต่ว่าตายก่อนเวลาอันสมควรก็มีอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แนะเพราะฉะนั้นก่อนเวลาที่กลางวันมันจะมาถึงเนี่ยในช่วงที่กำลังเปลี่ยนจากกลางคืนหมดไปกลางวันจะมาเนี่ยหรือก่อนที่กลางคืนมันจะมาถึงช่วงที่เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่เราต้องคิดไคร่ครวนกันแล้วว่าไอ้กลางวันที่มันกําลังจะมาเนี่ยหรือกลางคืนที่มันกําลังจะหมดไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ถึงตอนนั้นแล้วยังไงอันนี้คือเราทําความเข้าใจนะไม่ใช่คิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องตายฉันจะต้องอะไรไม่ใช่แต่ทําความเข้าใจว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นได้แตอันนี้ไม่ได้มองโลกในแง่ลบนะท่าฟังแต่มองในแง่บวกมองในแง่ตามความเป็นจริง ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วยังไงต่อเราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเราก็ควรจะพิจารณาใกล้ควรถัดไปว่าเอาวถ้าสมมุติว่าเราตายไปยจริงๆสมมตินะสมมติสมมติว่าถ้าเราตายไปยจริงๆเนี่ยให้เราจะไปไหนหรือมันจะเป็นอย่างไรมันมีอยู่สองทางเลือกจำฝังมันมีอยู่สองทางเลือกกว้างๆสําหรับคนที่ที่ตายนะตายหรือกำลังจะตายตอนนี้นเนี่ย มีสิทธิ์เลือกได้2อทางแต่ทางที่1ถ้าพบว่าในใจของคุณที่คนที่กําลังจะตายเนี่ยขณะจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นใจที่มีบาบากุโสธรรมแต่ก็คือเขาเลือกในการที่จะไปสุนรกกําเนิดเตรัจฉานบริวิสัยแนะที่ที่เป็นอบายภูมิที่ที่เป็นไม่ดีแต่ถ้าใจของเ้าก่อนที่กําลังจะตายนะขณะจิตนั้นเป็นใจที่มีกุโสธรรม แล้เขาก็จะไปสู่ที่เป็นสุขติเช่นมนุษย์ที่มีอัญจักินหรือว่าเท ว, วดาอินพรหมพวกนี้ไปได้มีอยู่2ทางเรืองนี้เท่านั้นคนที่กําลังจะตายขณะจิตนั้นถ้าเป็นอกุศลธรรมคุณก็ไปรนรกกาเนิดจารชานเปรตวิสัยแต่ถ้าไปเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคุณก็ไปดีแต่มีสองทางเลือกแค่นี้มี2ทางเลือกแค่นี้เพราะฉะนั้นในขณะที่เราอาจจะตายได้ นี่คือขั้นตอนที่หนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้อาจจะเกิดขึ้นกับใครๆก็ได้เออถ้ามันเกิดขึ้นกับเราล่ะเราจะไปทางไหนนี่คือสิ่งที่พู้เจ้าให้พิจรารณาเต็มฝั่ ง, งถ้าความตายที่จะปรากฏอยู่เฉพาะหน้าต่อเราด้วยเหตุใดๆก็ตามเออเราจะไปที่ไหนถ้าเรามาลองพิจารณาจิตหลักฐานเรานี้เรารู้ได้ทันทีแต่คุณไม่ต้องไปหาหมอดูเลยหรือว่าคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ย กูไม่ต้องกังวลหรอกไอ้าญาติเราหรือว่าคนที่เรารู้จักหรือใครก็ตามที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไปไหนมันอยู่ที่ว่าขนาด จ, จิตก่อนที่เขาจะตายนั่นแหละเขาคิดเรื่องอะไรไมีได้แค่2ทางนี้ถ้าเขาคิดเรื่องที่เป็นอกุศลอกุศลมากก็ไปนรกที่มันลึกหน่อยอกุศลน้อยหน่อยก็อาจจะกําเนิดเดรัชานนะแล้วแต่ไอ้ความคิดขณะ จ, จิตที่ก่อนที่เขาจะ ทำกาลคือตาย ต, ตรงนั้นถ้าเขาคิดเรื่องที่เป็นกุศลธรรมนะเรื่องที่เป็นบวกเป็นเรื่องความดีความงามถ้าดีน้อยหน่อยนละ้นก็จะไปถาวมนุษย์ถ้าดีมากขึ้นไปอีกแล่กนะ็มนุษย์ที่มีอันจะกินหรือว่าเป็นเทวดาหรือเป็นพรมขึ้นไปนั่นเลยมันเป็นได้แค่นี้พยากรได้ตามที่พระาตรัสบอกไว้เอ๊แล้วจิตของเราล่ะมันเป็นยังไง ถ้าเราจะทําการละจะตายลงไปในเวลากลางวันที่จะมาถึงนี้อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้หรือกลางคืนถ้าคุณตอนนี้อยู่เวลากลางวันฟังเวลากลางวันเอ๊ะกลางคืนที่มันจะมาถึงข้างหน้านี่เอ๊ะมันมันจะไปไหนกันแน่ถ้าเราจะตายก็ต้องดูที่วารจิตของเราแต่ว่าเอ๊ะจิตเรายังมีเจ้าความคิดอันเป็นบาปหรือสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในใจของเราไหมถ้ามีคุณฟันตรงได้แต่ว่าคุณนี่ และไปนรกกำเนิเดตาเลจานเปรตวิัยแน่ถ้ามีนะต้องทําไงล่ะทีนี้ถ้าผาฟังคิดว่าเวลาที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรก่อนถ้าสมมุติมีไฟไหม้ผมบึ้มๆึมอยู่ไฟไหม้เสื้อผ้าเราบึ้มบ้มอยู่ถ้าผมฟังคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่คนเนี้ยเขาจะต้องรีบทําก่อนคนที่ถูกไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าแต่ถ้าสมมุติว่าเขาอาจจะ กำลังเดินจะไปกินข้าวอย่างนี้ไปเร่อนกำลังเดินจะไปกินข้าวแต่ว่าตอนนั้นไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าโฮ้ยอะไรเดี๋ยวไปกินข้าวกันกินข้าวให้มันเรียบร้อยกันนะหรือเขาอาจจะโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยโทรหาคนที่เขารักก่อนว่าบอกข่าวกัน ว, ว่าฉันถูกไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าโอ้เหยียบไปพูดถึงเรื่องกินข้าวหรือว่าโทรหาคนที่รักเลยจำาึฟังแค่ว่าจะโทรหาพนัก ง, งานดับเพลิงเนี่ยมาช่วยดับเพลิงเนี่ยเขายังไม่ทําเลย เขาจะต้องรีบดับไฟที่ผมไฟไหม้เสื้อผ้านั้นก่อนก่อนจิงอื่นๆเลยด้วยซ้าก่อนแม้จะเดินต่อไปอีก1 9 2 9่ 19, 29, ต้องรีบดับไฟนี้ก่อนแต่จะถอดมันทิง้งหรือจะดับด้วยวิธีใดๆต้องหามาตราการมาดับให้ได้ก่อนที่งานที่เราจะไปทำก่อนจะโทรหาคนที่เรารักหรือแม้แต่ก่อนที่จะเรียกพนัก ง, งานดับไฟตะโกนให้คนอื่นมาช่วยคุณทาเองก่อนเลยใครอยู่ใกล้ไฟนั้นที่สุดก็มือเรานี่แหละ แต่า ก, การดับมันซะรีบทําโดยด่วนไว้เงินเช่นเดียวกันถ้าเรามีอคุโสธรรมยืนในใจคุณอาจจะไม่ได้รอดถึงเวลากลางวันที่จะมาถึงไอ้กลางคืนที่เราอยู่นี่มันอาจจะยังไม่หมดด้วยซ้ําอาจจะตายก่อนเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้หรือถ้าคุณอยู่เวลากลางวันยังไม่ต้องพูดถึงเลยเวลากลางคืนที่จะมาถึงไอ้กลางวันที่เรามันจะหมดไปเนี่ยเราอาจจะอยู่ถึงตอนกลางคืนนั้นหรือเปล่า มันอาจจะเป็นไปได้นะที่เราจะอยู่ไม่ถึงอาจจะเป็นไปได้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะทํำยังไงก็อนจะของเรามีอกุศลเราต้องรีบละโดยด่วนโดยด่วนก่อนที่เราจะไปทําอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าใจของเรายังมีอกุศลธรรมอยู่อะไรล่ะที่เป็นอกุศลธรรมดำหวังความคิดในทางกามความคิดชั่วคิดเบียดเบียนคิดคโกง สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิความฟุ้งซ่านสําคัญใจความเกลียดแกลงความเกียดกร้านความมักโกรธความเศร้าหมองพวกนีนะ้เป็นบาปอากุศสธรรมที่มันอาจจะมีถ้ามันมีอยู่ในใจเราจะต้องรีบละทันทีรีบละทันทีเพราะว่าถ้าเรายังเก็บมันเอาไว้สิ่งนี้มันจะพาเราไปไม่ดีแต่ไม่ต้องรอถึงตอนที่เราตายหรอก เอาแค่ว่าขณะจิตต่อไปแต่ถ้าขณะจิตนี้เรามีความคิดในทางการพยาบาทปิดเปียนมีจิตพยาบาทมีความเพ่งเล็งมีความเศร้าหมองเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านอย่างนี้เป็นต้นในใจของเราในใจของเราตรงนั้นมันก็ไม่สบายทันทีเป็นใจที่มีโรคมีโรคคือราคะโทสะโมหะมันเผารนคุ้มรุมจิตใจของเราอยู่และถ้าตายไป จึงอาจจะเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะไปสู่ที่ที่ไม่ดีเราจึงต้องรีบละเจ้าความคิดทางอากุศลทั้งหลายเหล่านั้นทันทีโดยด่ว น, นเหมือนคนที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เรื่องนี้ทําเป็นเล่นไม่ได้นะท่านฟังไม่ใช่เรื่องเล่นๆบางคนอาจจคิดว่าโอ้ยฉันไม่ตายหรอกอาคุณอาจจะไม่ตายแต่คุณอาจจะตายก็ได้ไอความที่อาจจะตายก็ได้ ความที่อาจจะไม่ตายก็ได้มันห้าสิบห้าสิบนะมีแค่2 อ, อย่างนะไม่อาจจะตายก็ได้หรืออาจจะไม่ตายก็ได้เพราะฉะนั้นอัตราความที่มันจะเกิดขึ้นนะห้าสิบห้าิบนะแทงหัวยยังโอกาสถูกไม่เท่านี้เลยเราเ ห, เห็นกันอยู่คนที่คิดว่าเอ้ยฉันอาจจะไม่ตายก็ได้เดี๋ยวตอนนี้ก็ทำอย่างอื่นไปก่อนอาจจะยังไม่ตายสุดท้ายตายก็มีนะเห็นเห็นกันอยู่นะบางคนประมาทมัวเมา ในคิดว่าเออฉันคงยังไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเป็นโรคอย่างหนักโอ้โหบันดีก็อธิบายไม่ได้เนื้อโรคผลของกรรมบ้างธาตุลมมันเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรก็ไม่รู้มันไปอุดในเส้นเลือดในสมองบ้างนะพิการก็มีตายก็มีถ้าที่คิดว่าฉันคงไม่ตายแต่มันก็อาจจะตายได้แต่ถ้าคนที่คิดว่าฉันอาจจะตายคุณอาจจะรอดก็ได้แต่คุณรอดและจิตคุณมีคุณศรธรรมคุณจะปล่อยใจแล้วถ้าคุณไม่รอด แล้วจิตคุณมีกุศลรรมคุณก็ไปดีเพราะฉไอ้ความคิดที่ว่าเราอาจจะตายก็ได้เนี่ยเป็นความคิดที่มีประโยชน์กว่าเพราะว่าถ้าเราคิดว่าไอ้ช่วงเวลาที่จะมาข้างหน้าจะสั้นกระตามจะยาวกระตามเนี่ยเราอาจจะไม่ตายแต่ถ้าตายจริงๆขึ้นมาเราจะไม่ได้เตรียมการป้องกันแต่ถ้าช่วงเวลาที่มันจะมาข้างหน้าเนี่ยเรามีความคิดว่าเออเราอาจจะตายก็ได้นะเราก็เรตรียมการป้องกันแต่เราตายจริงจเราก็จะได้รับการป้องกัน แต่ถ้าเราไม่ตายเรายังอยู่เป็นสุขว่าเออฉันยังไม่ตายแฮฉันยังอยู่แแค่นี้เองนะเป็นตระกาศง่ายๆท่านผู้ฟังที่เราควรจะคิดว่าเฮ้เราอาจจะตายก็ได้เวลาที่จะมาถึงอาจจะไม่นานสั้นยาวครึ่งวันวันหนึ่งหรืออาจจะไม่พ้นครึ่งวันเราอาจจะเป็นไปได้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นใจของเราถ้ายังมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต้องรีบละมันจะเตรียมการจะ้ะ เตรียมการสําหรับผู้ที่ถ้าตายแล้วเออจะได้ไปสู่ที่ดีๆแต่ถ้าไม่ตายใจของเราก็ยังมีปิติมีสุขมีความสบายใจอยู่ดีกว่าแน่นอนอันนี้ไม่ได้ว่าแช่งตัวเองนะท่านฟังคือการแช่งตัวเองนี่ก็จะพูดว่าตายตายตายตายตายฉันตายฉันตายฉันตายเราไม่ได้พูดอย่างนั้ น, น, นเราไม่ได้แช่งตัวเองว่าฉันต้องตายฉันต้องตายแต่ฉันอาจจะตายก็ได้อาจจะตายก็ได้อาจจะมาถึงได้วันเราจะต้องไม่ประมาท เราจะต้องไม่ประมาทแต่ถ้าผมว่าเราพิจารณาอยู่เดีเรารู้ลาชัดละ ว, ว่าเราอาจจะตายก็ได้นะแล้วเราก็พิจารณาอยู่เออจิตชั้นนี่ก็ไม่ได้มีพวกความคิดในทางเบียดเบียนความคิดในสิ่งที่เป็นบาเป็นอกุศลต่างๆเหล่านั้นมีอยู่น้อยส่วนใหญ่จิตชั้นเป็นจิตที่มีกุศลธรรมมากกว่าให้สบายใจนี่คือประเด็นให้สบายใจ ให้มีปีติให้มีปราโมทสบายใจได้เลยแต่เราก็อยู่กับความสบายใจนั้นในอยู่ความสบายใจนั้นคือหมายความว่าให้อยู่ด้วยปีติปราโมทนั่นแหละอะไรเป็นเหตุของปีติปราโมทนี้กุศลธรรมให้เราอยู่กับกุศลลธรรมนั้นต่อไปทําการศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อให้มันเจริญขึ้นดีขึ้นให้เราอยู่กับกุศลธรรมนั้นให้ดีแต่คุณจิตคุณมีกุศลธรรมอยู่แล้ว เป็นการระลึกถึงเรื่องของให้การให้ทานบ้างการที่ใจเรามีความศรัทธาบ้างการที่เราใจเรามีความเมตตาบ้างการที่เราใจเรามีความกรุณามีอุเบกขานะนึกถึงเรื่องกรารยานมิตรคนดีการแบ่งปันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิน้นถ้าใจเราอยู่ในลักษณะนี้คุณจะภายใจได้เลยนะให้รักษาความสบายใจอันเป็นผลของกุศลธรรมนั้นเอาไว้ให้ดีนะให้ดีทําให้มันดียิ่งขึ้น ถ้าเราคิดว่าเราอาจจะตายได้แล้วยังมีความดีอยู่ในใจนี่เราจะสบายใจแต่ไม่ไดว่าต้องมาทุกข์ใจจะทํายังไงอะไรต่างๆนั่นคือคนที่เขามีบาปอกุศลธรรมเขาคุณจะต้องมาเครียดมาเอาใจจดใจจอ่อมากระทําอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะปล่อยวางไม่ได้ต้องทําต้องสู้ต้องทําไม่มีน่นะซึ่งกุศลธรรมในใจต้องทําให้ได้ต้องทําให้มีต้องเอาเอกุศลธรรมที่อยู่ในใจออกไปให้ได้และเป็นงานที่เขาจะต้องทํา จิตงคนที่ถ้ายังมีบาปอกุศลธรรมอยู่แต่ถ้าใจของเราวิจารณาดูให้ฉันอาจจะตายก็ได้นะแล้วใจฉันเป็นยังไงที่ตอนนี้ถ้าใจของเรามีกุศลลธรรมมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเออมันอาจจะมีเรื่องที่ดีเกิดในชีวิตบ้างก็ได้อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดในชีวิตบ้างก็มีแต่ว่าเราอย่างน้อยได้ทําความดีเรื่องพอใจก็ได้ผ่านมาแล้ว เรื่องไม่พอใจก็เจอมามากแต่ความพอใจที่ไม่พอใจทั้งหลายเหล่านั้นอย่างน้อยจิตของเรายังมีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือบางทีเราทําเรื่องที่เป็นกุศลธรรมแล้วเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็มีแต่อย่างน้อยเราสามารถยินดีในความกุศลธรรมที่เราได้กระทําอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีปีติปราโมทย์มีความสบายใจในส่วนนี้ให้อยู่อย่างสบายใจได้ว่าเราได้ทําสิ่งที่เป็น กุ้ศรธรรมแล้วได้ทําสิ่งที่ถูกต้องตามทําแล้วนี่คือวิธีการพิจารณาทำฝังช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงที่มันจะต่อกันตรงที่มันจะเข้าได้เข้าเข็มกันเนี่ยแหะจุดที่มันจะต่อกันระหว่างได้กับเข็มมันต้องระวังตรงนั้นนื่อเพราะเวลามันจะขาดส่วนใหญ่มันจะไม่ขาดตรงได้หรือมันจะไม่หักตรงเข็มนั้นมันจะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันจะขาดตรงได้ที่มันต่อกับเข็มแต่รือว่ายังอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ จะเกิดตรงที่ถนนมันต่อกันเนี่ยคือบริเวณ4แยกเนี่ยจะเป็น3มแยก4ี่แยกก็ตามถนนมันต่อกันมันจะเกิดบริเวณนั้นมากกว่าถนนทางโค้งหรือทางตรงหรือเวลาเสื้อผ้ามันจะขาดเนี่ยมันจะขาดตรงผ้าธรรมดาเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นจะน้อยกว่าเวลาที่มันจะขาดอตรงตะเข็บหรือขาดตรงตตรอยต่อเนี่ยกระเป๋าก็เหมือนกันส่วนใหญ่มันจะขาดตรงรอย ต, ะตะ่อหรือเวลาโจรเขาจะบุกเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะเข้ามาตรงรอยต่อ เนะี่ยเช่นระหว่างหน้าต่างกับประตูส่วนมากจะเป็นตรงนั้นนะมากกว่าที่มันจะทะลุปางกำแพงเข้ามาไอ้ตรงรอยต่อเ น, นี่ยที่ต้องระวังไอ้จุดที่มันจะต่อกันระวังได้กับเข็มเนี่ยต่อกันระหว่างกลางวันกับกลางคืนนะเราต้องพิจารณาเราต้องให้เห็นจริงๆว่าเอ๊มันอาจจะเป็นไปได้นะสิ่งนี้อาจจะเป็นไปได้และสิ่งที่เราจะต้องสรุปให้เห็นชัดเจนว่า และถ้ามันจะเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราควรจะทําอย่างไรจิตของเราควรจะทรงไว้อย่างไรนั่นะก็คือให้มีกุศลธรรมมันเองมีปีติปราโมทคือบางคนก็คิดว่างั้นใช่ไหม้คิดให้สบายใจซะนะทําช่วยทําบาปอะไรมากก็วางวางซะคิดให้สบายใจซะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวา ง, วางให้มีแต่ความสบายใจมันไม่ใช่สิแต่คือบางคนเนี่ยเออก็จิตใจเต็มไปด้วยโมหะ ใจเต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิจิใจเต็มไปด้วยเรื่องโคดกงแต่ก็หลอกตัวเองอีกว่าเออฉันสบายใจแล้วฉันดีแล้วฉันสบายใจแล้วคือทําชั่วแล้วมีป yup> ีต mm. ิก็มีไงทําชั่วแล้วก็สบายใจฉันได้ทําชั่วฉันได้โกงสบายใจเพราะมีเงินมากมีแล้วความสบายใจอย่างนี้จะทรงไว้ได้ไหมก็ปรารบเหตุต่างกันแต่ความสบายใจแบบนั้นปรารบเหตุจากเรื่องของกามความสบายใจแบบนั้นปรารบเหตุจากเรื่องของอกุศล เราอยากให้ส่งไว้ตรงนี้แล้วตอนี้ถ้าไอ้เจ้าปีติปราโมทตรงเนี้ยมันมาหลอกจิตของเราเออฉันมีแล้วนะจะมีปีติปราโมทจึงต้องเห็นให้จริงจำหวังนะว่าเราอย่าหลอกตัวเองเราจะทําไงถึงจะไม่หลอกตัวเองได้แต่คือไอ้ความตระหนักความร้อนใจความเร่งด่วนที่คุณจะต้องมารู้สึกร้อนใจรู้สึกเร่งด่วนเนี่ยคือว่าเราอาจจะตายได้ให้เห็นมันแจ้งแจ้งตรงนี้ให้เห็นมันจะจะจริงๆว่า เราอาจจะตายก็ได้จริงๆนะหลาคนที่หลอกตัวเองอยู่แต่นะว่าฉันก็สุกตีนะฉันก็สบายใจดีถ้าเขาเห็นจริงๆนะว่าไอ้ฉันอาจจะตายก็ได้เนี่ยไอ้ความแจ่มแจ้งตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันจะหลอกตัวเองไม่ได้เลยจิตของตัวเองพอมารู้ว่าไ อ, อ้ฉันจะต้องตายจริงๆนะถ้าเห็นจริงๆเนี่ยแม้โมหะนี่ก็ไม่ได้ปิดเอาไว้แตนะ่เพื่อมันเปิดช่องให้นะเราจะรู้ว่าตายแล้วฉัน มันมันแย่งจริงนะเนี่ย จ, จันจิตใจไม่ดีไอความสบายใจที่มันมีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องหลอกๆเฉยๆเราต้องยากย้ายให้ออกแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่สบายใจไอทำชั่วทําบาปอะไรมาวางๆไปชะมีคิดลทัทธิสบายใจอย่างเดียวพอนะอกุศลและทำแรงต่างยังเต็มหัวใจไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถูกอย่าทําอย่างนั้นเราจะถูกจิตของเราหรอกถูกไอเจ้ากิเลสมันหลอกอยู่เราก็จะต้องเปิดตรงนี้ออกก่อน ในาการที่จะเปิดให้เห็นจริงว่าอย่าให้กิเลสมาหลอกใจที่อยู่ข้างในของเราได้เนี่ยคือต้องเห็นความตายตรงนี้แลนะต้องคิดให้ดีให้ทีท้วนนะวันละหนึ่งรอบมองไม่เห็นใช่ไหมเอาสองรอบช่วงกลางวันที่จะเปลี่ยนเป็นกลางคืนช่วงกลางคืนกําลังจะหมดไปกลางวันกําลังจะมานะพิจารณามสองรอบตรงนี้นะอา้าวแล้วระหว่างวันไอ้ที่ถ้าคุณอยู่ตอนกลางวันก็พิจารณาให้เห็นด้วย้กลางวันที่เราอยู่นี่มันอาจจะไม่หมดด้วยซ้ํานะ หรือถ้าคุณอยู่ตอนกลางคืนไอ้กลางคืนที่คุณอยู่นี่มันอาจจะยังไม่ทันเช้าก็ได้นะคุณอาจจะตายก่อนได้เป็นไปได้ให้เห็นมันแฉมแฉมชัดๆได้ไหมเน่ยการพิจารณาตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นกุศลพิจารณาแล้วเป็นกุศลพิจรารณาแล้วกุศลธรรมจะเกิดพิจารณาแล้วเราจะละอกุศลธรรมได้พอกุศลธรรมเกิดละอกุศลธรรมได้ไอ้เจ้าความสบายใจความอิ่มเอิบใจที่เป็นผลของกุศลธรรม มันจะเกิดขึ้นได้นั่นไม่ใช่เรื่องหลอกนั่นเป็นเรื่องจริงนั่นเป็นเรื่องการมองโลกในแง่ดีความดีความงามจะปรากฏขึ้นในใจของเราได้ถ้าเราเห็นจริงว่าความตายที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เนี่ยเห็นจริงอย่างแจ่มๆจชัดๆดแล้วเป็นการมองโลกในแง่ดีเพราะความดีความงามจะเกิดขึ้นได้ใน ใ, นใจของเราจากการที่เราละอกุศลจากการที่เราเจริญกุศลเรื่องนี้ต้องทาเร่งด่วน เร่งด่วนสําหรับคนที่ท่าใจยังมีเรื่องราวที่เป็นบาปอกุศลมีอกุศลธรรมอยู่เร่งด่วนเลยเร่งด่วนแล้วถ้าเผือว่าใจเราได้ทรงอยู่เรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไดแ้แล้วเรามีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาอยู่อย่างต่อเนื่องมีการศึกษาธรรมะตัวเองก็มีใจมเมตตาแบ่งปันคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ไม่มักโกรธมีจิตเมตตาอย่างนี้เป็นตน้นเราสบายใจได้เลยเป็นความสบายใจที่เกิดจากสิ่งที่เป็นกุศลธรรม แล้วให้รักษาสิ่งนี้เอาไว้ไม่ใช่ว่าเราจะมารักษาปีติสุขนะแต่ให้รักษากุศลธรรมเอาไว้รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอันเป็นเหตุของปีติสุขเอาไว้ towel. ตอนนี้จึงต้องระวังว่าบางคออา ing, านอาจจะไปเข้าใจว่างั้นฉันก็สบายใจสบายใจแต่ทำเสแสร้งว่าฉันสบายใจแต่มันไม่ใช่เหตุของความสบายใจนั้นมาจากอะไรแต่ต้องไปแก้ที่เหตุตรงนั้นเอาเรื่องสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมบอกให้แม้แต่ความสบายใจที่เป็นผลมาจากอกุศลธรรม เอาเหตุมันออกไปซัแต่ถ้าเรามีกุศลธรรมไอ้ความสบายใจจริงๆนะความเป็นสุขความสบายใจความปราโมทที่เป็นผลจากการที่เรามีกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นไะด้ให้เรารักษากุศลธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทีนี้พระเจ้าให้พิจารณาเป็นเวลาเข้าได้เข้าเก็บเป็นเวลาหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วงเวลาที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยผ่านมาช่วงเวลาจะสอบอย่างเงี้แต่เป็นเวลาเข้าได้เข้าเก็บเเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ หรือว่าคุณผ่านจากป6ขึ้นมหนึ่ช่วงรอยต่อตรงนี้ม1นึ่งม3ต่อมอ4หรือว่าม6เข้ามาวิทยาลายัยในช่วงนี้เป็นรอยต่อที่สําคัญต้องประมาทไม่ได้อย่ามุดแต่เล่นอย่ามุดแต่กินอย่ามุดแต่เที่ยวแต่ให้จดใจจออ่านหนังสือทํำความเพียรและยันขันแข้งเช่ น, นเดียวกันช่วงรอยต่อเราอาจจะไม่พ้นรอยต่ออาจจะไม่ถึงรายต่อช่วงรอยต่อเราจะอาจจะเป็นอะไรไปเราต้องระวัง ในะรอยตอมีอยู่ตลอดเวลาแค่จากขณะจิตนี้ต่อไปอีกขณะจิตหนึ่งเราอาจจะยังไม่รอดเลยด้วยซ้าไม่รู้ผู้พูดอยู่นี่จะพูดจบรายการไหมแต่มันใกล้จบแล้วนะมันหัวเลี้ยวหัวต่อที่ท่านเปหวังหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างนี้ยิ่งต้องตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงให้สบายใจให้สบายใจว่าเอ ย, อย่างน้อยเราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วนะเราเห็นว่าจริงๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะไอความจริงคือความตายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย มันอาจจะมาตอนนี้หรือจะมาตอนต่อไปไม่ไกลหรืออาจจะห่างไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ถ้าจิตเรามีความระวังมีความไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่รอยต่อตรงนี้จะอยู่ตรงไหนเราไม่กลัวเลยเราจะมีความสบายใจความอิ่มเอมิใจความแจ่มชัดในใจความโล่งใจเกิดขึ้นได้ถ้าพูดถึงเรื่องรอยต่อของจิตมางคลอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ําให้จิตชันหมดไปแล้วหรอต่อขึ้นแล้วหรอความคิดเก่าดับไปหรือ ย, ยัง ความคิดใหม่เกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นมันต่อเนื่องกันเป็นกระแสที่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ความคิดนี้ดับไปความคิดใหม่ขึ้นมาอารมณ์นี้ดับไปอารมณ์ใหม่ขึ้นมาการรับรู้ตรงนี้ดับไปการรับรู้ใหม่ขึ้นมานี่แหละคือความที่จิตมันดับไปเกิดขึ้นเป็นลอยต่อทั้งสิ้นของจิตคุณฟังเสียงรถยนต์เดหรือคุณกำดมาฟังเสียงวิทยุเอามันต่อกันเลยนี่มันอันนี้ดับไปอันหนึ่ง อีกอันหนึ่งดับขึ้นมาเอ๊ได้ฟังเสียงอยู่เอ้ความคิดนี้ก็โผล่ขึ้นมาเอ๊จะไปทําอะไรต่อดีเอาเอาการรับรู้ทางเสียงดับไปความคิดโผล่ขึ้นมาแล้วนะนี่รอยต่อแล้วนะช่วงรอยต่อสําคัญช่วงที่มันจะเปลี่ยนแปลงดูให้เห็นให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเป็นกุศลธรรมที่เราส่งไว้ในใจเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองเนืองเราเห็นความดับไปความเกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองจิตเราเนี่ย จะมีความระวังอยู่ตลอดความระวังตัวนี้ก็คือสติสัมปชัญญะเราเห็นความดับไปเห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่ของอะไรของความรู้สึกนี่แหละของอารมณ์ของความคิดเราเห็นรอยต่อตรงนี้ได้แจ่มชัดแสดงว่าคุณมีจิตที่มีความระวังอยู่มีความระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตามศึกษาอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่สบายได้เลย สบายใจได้ว่าถ้าใจของเราเป็นอย่างนี้ความตายที่มันจะมีเมื่อไหร่ก็ตามใกล้ก็ตามใกลก็ตามที่มันจะมาถึงแน่ๆอยู่เนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องร้อนใจในภายหลังเพราะตอนนี้เราก็สบายถึงเวลานั้นมาเราก็สบายใจเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าจะมีความระลึกถึงบุคคลพวกนี้ว่าแม่น่าจะไปดูน่าที่จะไปชมว่าบุคคลเหล่านี้มีความเป็นอยู่อย่างไรเป็นบุคคลที่ประเสริฐมีใจประเสริฐมีใจสูง มีใจที่เห็นตามที่เป็นจริงเรารักษารอยต่อไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันกลางคืนรักษารอยต่อของใจโดยการรักษาอารมณ์ให้ดีใน ร, รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่จะทาให้เกิดขึ้นและสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทำความตั้งมั่นทาความระมัดระวังตรงนี้ให้เกิดขึ้นแล้วในเราจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุขได้เป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลัง วันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุญอาภ่ปุณ โ, โนจากวัดบ่าดอนไอสซเวลาหมดแล้วท่านฟังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ที่แน่นใจเราเป็นพาสุขอยู่ได้จเจริญพร